ธรรมบัญญายเรื่องจากรักของปัจเจกบุคคลขยายผลสู่ความรักต่อมหาชนทั้งโลกโดย<ม>ท่านววชิราเมธีบรรยายนะมหาวิหารบ้านดำเนื่องในเทศกาลอุ่นเครื่องเมืองศิลปะณนะพิพิธภัณฑ์บ้านดำตําบล น, นางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพนบััดนี้ในทัศนะของพระพุทธศาสนาความรักมีอยู่สี่แบบด้วยกันหนึ่งรักตัวกลัวตายสองรักใครปรารถนาสามรักเมตตาอารี และสี่รักมีแต่ให้รักตัวกลัวตายนั้นเป็นความรักเองสัญชตาตญาณมีอยู่ในพวกเราทุกคนนะเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีที่เดินอยู่ข้างนอกก็ดีนะทุกคนนะรักตัวกลัวตายหมดไม่มีใครไม่กลัวตายนะโยมพวกเราเห็นข่าวไหมลุงวิศวกรยิงเด็กอะไปเที่ยวอยู่ดีๆแล้วเด็กล้อมหน้าล้อมหลังอะ่ะ แล้วเขก็<ๆ>ถามว่ามึงเก่าเหรออยเงี้ยลุงก็ตอบด้วลูกเปินปั้งเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนเนี้คนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งอาจจะต้องจบชะตากรรมในคุกนี่คือรักตัวกลัวตายเป็นความรักเองสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีเหมือนกันทั้งหมดทั้งเส้นแม้กระทั่งพืช หรือญ้าหรือต้นไม้ก็มีความรักชนิดนี้นะที่ไร่เชิญตะวันนั้นมันจะมีหญ้าชนิดหนึ่งใบมันเล็กๆนะเหมือนใบมะขามมันงอกตามพื้นดินเวลาเราเดินไปชนมันนะมันจะหดเข้าแล้วมันก็รูบใบเมืองเหนือเรียกว่าหญ้าหลับมืนนะหลับหลับก็คือหลับตาแล้วก็ลืมตา พอคนเดินผ่านไปพอมันปลอดภยัยปุ๊บมันก็จะกลับมาชูชันเหมือนเดิมนี่คือญ้าแม้กระทั่งญ่ามันยังรู้จักรักตัวกลัวตายฉะนั้นความรักชนิดนี้มีอยู่ด้กันทุกรูปทุกนามข้อดีของความรักชนิดนี้คือมันทําให้เรานั้นเอาตัวรอดได้แต่ข้อเสียก็คือว่ามีมากๆ ม, มันเห็นแก่ตัวบางครั้ง เพราะต้องการจะปกป้องตัวเองเราถึงกับต้องทำลายคนอื่นฉะนั้นรักตัวกลัวตายจึงเป็นความรักพื้นฐานที่สุดที่มีอยู่ในทุกรูปทุกนามแต่มันไม่พอเพราะความรักชนิดนี้ถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเราต้องก้าวต่อไปถึงความรักชนิดที่สองนั่นก็คือรักใคร่ปรารถนารักใคร่ปรารถนาก็เป็นความรักเองสัญชตาตญาณการสืบพันธุ์ ก็มีอยู่ในเราทุกคนเองนะไม่ว่าไทยไม่ว่าเทศไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรัง่งความรักใคร่ปรารถนามีหมดเลยเมื่อถึงวัยหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัยวัยวานุ่นนะมนุษย์ทุกคนก็จะมีความรู้สึกในเชิงสัญชตตาตญาณของการดํารงเผ่าพันธุ์ระหว่างชายกับหญิงหญิงกับชายชายกับชายและฉิงกับฉิงรู้จักไหมนั่นแหละ มีเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามความรักชนิดนี้ข้อดีคือทําให้มนุษย์ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้ข้อเสียคือมันเป็นความรักที่อิงความเห็นแก่ตัวอิงความหวงแหนอิงความโลภรักมากแค่ไหนถ้าผิดหวังจากกันไปมีโอกาสพลิกไปร้ายต่อกันได้เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงว่าความรักอาจกลายเป็นความร้าย ถ้าเราทั้งหลายคุยกันไม่ลงตัวดังนั้นเราจึงได้เห็นคนที่มีคู่ใช่ไหมพอรู้ว่าคนรักของตนไปมีกิก๊กไปมีชู้ตามไปเล่นงานได้เลยบางครั้งถึงขั้นยิงกันบางครั้งถึงขั้นใช้น้ำกรดบางครั้งถึงขั้นใช้ยาพิษและมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้น ยอมลองคิดดูนะคนรักกันทำไมตามไปทำร้ายกันเพราะนั่นมันยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงลึกๆความรักใคร่ปรารถนานั้นเป็นความรักตัวเองเป็นพื้นฐานคือที่เราไปรักคนอื่นเพราะอยากให้คนอื่นมาเติมให้ตัวเองเต็มจึงยังเป็นความรักที่ดีไม่พอดีไหมดีแต่ไม่พอที่จะทำให้โลกนี้มีความร่มเย็นเพราะความรักชนิดนี้นั้นมีผลข้างเคียงสูง อุปมาดังหนึ่งกุลาบที่มีหนามแถมมาให้ด้วยฉะนั้นความรักชัน้นนี้นั้นจึงนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้ความบุญแรงก็ได้ความโกรธก็ได้ความเกลียดชังก็ได้สงครามก็ได้ในอดีตประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาตินั้นพระราชาหม า, หากษัตริย์แม่ทัพทั้งหลายเคยญาตราทัพไปรบทัพจับสึกกันประชาชนบาดเจ็บล้มตายมากมายเพียงเพราะ แย่งชิงคนรักเห็นหรื อ, อยังที่ทัชมาฮาลนั้นเราถือกันว่าเป็นหนึ่งในสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสร้างโดยพระเจ้าช า, ชาห์จารันที่อินเดียนะพระองค์ก็รักพมเหสีของพระองค์มากคือพระนางมุมตัสพอพระมเหสีของพระองค์สเสด็จสวรรคตเท่านั้นแหละเกณฑ์ช่างเกณฑ์พลเมืองมาสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักระหว่างพระองค์กับพระมเหสี มีคนบาดเจ็บล้มตายมากมายตายกันเป็นเบือเป็นหมืน่นศพหลังจากสร้างเสร็จคนทั้งโลกไปเที่ยวที่ทัชมาฮาลแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยความโรแมนติกบอกว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่งามตประการตาไม่มีใดเทียมแต่ปัญญาชนอย่างมหาตรมคันธีไม่เห็นด้วยคานธีพูดถึงทัชมาฮาลว่า ข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่านี่เป็นอนุสรสถานแห่งความรักหรือเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักเพราะ อ, อะไรเพราะว่าเบื้องหลังนั้นมีช่างเยอะแยะมากมายบาดเจ็บล้มตายเด็ดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสร้างแล้วพระเจ้าชาจหจารานั้นไม่ให้ช่างไปทำงานที่อื่นไม่ให้ไปทำงานที่อื่นเพราะเกรงว่าถ้าไปทำที่อื่นแล้วเดี๋ยวจะมีสิ่งมหศัศจรรย์มาแข่งกันฉะนั้นก็ต้องเก็บเก็บตัวนายช่าง เก็บชีวิตนายช่างแทบทุกคนนี่คือความรักที่อิงความเห็นเกตตัวคือยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนรักของตัวเองแต่ลืมไปว่าในการทําเพื่อคนรักของตัวนั้นก็มีคนบาดเจ็บล้มตายมหาศาลฉะนั้นมันจึงยังไม่ใช่ความรักที่ดีพอที่จะทําให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขเราต้องก้าวต่อไปขั้นที่3รักเมตตาอารีรักเมตตาอารีก็คือความรักแบบ พ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกผู้นำรักพลเมืองหรือสิงสาราสัตว์ที่มีสายสัมพันธ์ต่อกันฉันวงสาขนาดอยากจะรักจะดูแลซึ่งกันและกันรักเมตตาอารี ด, ดีไหมดีสูงขึ้นมาแล้วเพราะความรักเมตตาอารีจะมาพร้อมกับความอยากจะดูแลอยากจะทนุถนอมอยากจะให้อยากจะแบ่งปัน เราจรึงเรียกคนที่มีเมตตามากๆว่าเป็นคนใจบุญคนใจดีคนใจงามคนใจประเสริฐแต่เมตตาก็มีปัญหาอีกเพราะเมตตามากเกินไปนะถ้าเมตตามากเกินไปนําภัยมาให้ตัวเราไม่ต้องดูอื่นไกลอ่ะตอนนี้เกิดเหตุเด็กวัยรุ่นรุมคุณลุงวิศวกรที่เป็นข่าวกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ไม่นานมาเนี้ย คนก็ดูคลิปเขาก็รู้ว่าเด็กๆนั้นอะ่ะเผ็ดิดเสียงประชามติเห็นตรงกันทั้งนั้นว่าเด็กๆเหล่านี้เป็นอันธพาลกวนเมืองแล้วก็ปว่วดเมืองคุณลุงวิศ้วกรนั้นป้องกันตัวถูกต้องไหมแต่มีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งมีสีสันมากก็คือแม่แม่ของวัยรุ่นที่เสียชีวิตออกมาเถียงข้างๆโคโคเถียงกับโคนทั้งโลกเลยเพื่อปกป้องลูกของตัวเอง แล้วยิ่งทําให้กรณีนี้บานปลายหนักข้อยิ่งขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะเป็นการเถียงที่สวนทางกับกล้องทีวีกล้องวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดแม่ยอมเถียงกับคนทั้งโลกเพื่อปกป้องโลกตัวเองนี่ก็เพราะความรักที่เราเรียกว่าเมตตาฉะนั้นเมตตามากๆเนี่ยไม่พอนะเพราะสิ่งที่มาพร้อมกับเมตตาคือความลําเอียง เรารักของเราเราชอบของเราจะดีจะชัว่วเราก็หลับตาเสียข้างหนึ่งบางทีไม่ได้หลับตาข้างหนึ่งนล้วหลับมันทั้งสองข้างเลยเรามองไม่เห็นความเลวความแย่ของคนที่เรารักโกนังโลกเห็นหมดว่าเขาเป็นคนยังไงแต่คนที่ความรักเมตตามากๆบางตาเนี่ยมองเห็นแต่คุณงามความดีของคนที่ตัวเองเมตตาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงว่ารักคือเมตตายังไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงโลกเพราะมันยังไม่ปราศจากอคติทั้งสี่ มันนำมาซึ่งความลำเอียงได้นะลำเอียงหรืออคติมีสี่ประการหนึ่งฉันทากติลำเอีย ง, อองเยงพราะรักเวลาเรารักใครชอบใครนะเรายินดีหลับตาให้กับความบกพร่องของคนที่เรารักคนอื่นมองเห็นหมดว่าเขามีบกพร่องตรงไหนมีตรงมีตำหนิตรงไห น, น, นคนอื่นเห็นหมดแต่เราจะไม่เห็นอันนี้เรียกว่าลำเอียงเพราะรักเหมือนพ่อแม่รักลูกนะ ใครจะด่าลูกฉันฉันไม่สนในทัศนะของแม่เขาดีที่หนึ่งเลยเห็นไหสองลำเอียงเพราะชังเวลาที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเราตั้งธงไว้ล่วงหน้าเลยเจ้าหมอนั่นจะทำอะไรในทัศนะของเราไม่ขึ้นสักอย่างเรียกว่าทำดีไม่ขึ้นเพราะเราตัดสินไปแล้วว่าเจ้าเนี่ยใชไม่ได้เรามองเ็ลบตลอดฉะนั้นต่อให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างไรในทัศนะของเราเขาก็ไม่ดีอยู่ดี ดังนั้นเมื่อเรามีความโกรธเกลียดจิงจังใครสักคนหนึ่งเราก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมสามลำเอียงเพราะกลัวเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเรากลัวใครสักคนหนึ่งนะเขาผิดแค่ไหนจะเรายังไงเราก็ไม่ว่าเรานิ่งไว้เรากลัวภัยจะมาถึงตัวเราไม่พูดเราไม่วิพากเราเนิ่งๆเราอยู่เฉยๆรู้เห็นอยู่ตําหูตําตาแต่ว่าเราไม่แจ้งตํารวจเรากลัวเห็นได้อย่าง อันนี้ก็ลําเอียงเพราะกลัวและสี่ลำเอียงเพราะเขาเราชอบตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ใครส่งคลิปมาให้ดูส่งภาพมาให้ดูส่งข้อความบางท่อนซึ่งเขาตัดต่อแล้วมาให้เราอ่านเชื่อทันทีแล้วก็พูดถึงคนนั้นด่าทอคนนี้วิพากคนนั้นวิจารณคนนี้ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ทําให้เราตัดสินคนอื่นด้วยความไม่เป็นธรรม แล้วลำเอียงเพราะไม่รู้จริงเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นทั้งโลกเลยพวกเรารู้ไหมหลังเหตุการณ์ที่โดนัททรัมป์ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากเกิดกรณี Brexit นะก็คือการบวชออกจากอ eu ของประเทศสหรัชอณาจักรอังกฤษสองเหตุการณ์นี้มันบวชสวนทางมันเป็นการบวชสวนทางโดยไม่แค่ความจริง พจนานุกรมหรือดิงชนารีของออกซฟอร์ดจึงค้นพบศัพท์ซึ่งโด่งดังมากๆในปี2016ที่ผ่านมาว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะการตัดสินใจของชาวโลกในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเขาเรียกสภาวะการตัดสินใจแบบเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่แคร์ความจริงหรือความจริงเอาไวท้ทีหลังในลักษณะช่างมันฉันไม่แคร์ฉันจะเลือกคนนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ความจริงจะเป็นยังไงฉันไม่สน ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าโฮสต์ทรูส์โฮสต์ทรูส์ก็คือความจริงมาทีหลังโลกไม่แคร์ความจริงจะตัดสินใจยังไงจะตัดสินยังไงเอาอารมณ์เป็นใหญ่ฉันจะเอาของฉันอย่างนี้ฉันจะว่าของฉันอย่างนี้ผลสุดท้ายอเมริกาก็เลยได้โดนัลด์ทรัมป์อังกฤษก็เลยต้องออกจากเอทั้งทั้ที่เสียมากกว่าได้แต่แล้วจะทําไมอ่ะฉันจะเอาของฉันอย่างนี้ อันนี้ก็คือสภาวะที่เราเรียกกันว่าลำเอียงเพราะเขา่ามีข้อมูลไม่ครบไม่มีใครสนใจความจริงนึกจะตัดสินอะไรนึกจะวิพากวิจาร์อะไรก็เอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็ว่าไปอย่างที่ตนเองคิดเอาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารู้ผิดคิดเอาเดาเก่งสภาวะอย่างนี้ทำให้คนเราใช้ปัญญาไม่เป็นกลับดังนั้นความรักแบบเมตตานี้จึงไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงโลกนะ มีมากเกินไปอันตรายนะบางคนมีเมตตา ม, มากใครมาขอให้ช่วยอะไรช่วยหมดช่วยจนกระทั่งเดือดร้อนเมื่อปีก่อนน่มีคุณยายคนหนึ่งมหาธรรมภาพที่ไร่เชิญตะวันมาถึงก็เปิดคลิปให้ดูคุณยายเลี้ยงหมาไว้200กว่าตัวเดือนหนึ่งหนึ่งนะจ่ายค่าอาหารหมากว่า 30,000 บาทแบกมา3ปีสู้ไม่ไหวมาหาตามาแล้วยายก็บอกว่า พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เป็นนักบุญของล้านนาะพระอาจารย์รับไว้เจอโครงการนี้นะมีแต่พระอาจารย์เท่านั้นที่จะช่วยได้ตอนนี้ยายหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่าอาหารหมามันเยอะจริงๆพระอาจารย์เป็นผู้เปี่ยมเมตตาเอาหมาสองร้อยตัวมายกให้ดามาเลี้ยงอะ่ะดามาก็บอกยาย ยายจะเอาอะไรมาถวายอาตมาก็พอจะรับได้นะเอาหมามายกให้200ร้อแต่มาไม่รับพราะเราไม่รับท่านั้นโกรธปึงปังขึ้นมาเลยเป็นพระภาษาอะไรไหนเขาบอกว่าใจดีนี่ทําไมไม่ช่วยยายอาตมาบอกว่ายายพระองค์ทรงสอนให้เราเมตตาแต่ไม่ได้สอนแค่เมตตาทรงสอนเมตตาที่มาพร้อมกับปัญญาเสมอ เมตตาที่ไม่ได้มาพร้อมกับปัญญาจะทำให้เรากลายเป็นคนโง่ที่ใจดีแล้วเราจะถูกหลอกแล้วเราจะต้องเข้าไปแบกจะต้องเข้าไปหามภาระซึ่งเราไม่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นโดยใช่เหตุและแน่นอนจะมีคนมักงายมาขอความช่วยเหลือจากเราไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเมื่อเราจะเมตตาต้องมาพร้อมกับปัญญาเราต้องแบกเราต้องหามเราต้องช่วยโดยที่ไม่ทาให้ตัวเรานั้นเดือดร้อน โบราณทัาก็เตือนไว้แล้วนี่ว่าเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดจำได้ไหมฉะนั้นเมตตาเนี่ยจำไว้ต้องมาพร้อมปัญญานะถ้าเมตตาไม่มาพร้อมปัญญาเราจะถูกหลอกเมื่อคืน อ, อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณบินบาลริสคุณบินนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินนะเป็นพระเอกทั้งในจอและในใจทำงานเป็นผู้จัดการาแผนกหนึ่งในมูลนิธิอุวมกัตันโย และงานของคุณบินในรอบ10ปี20ปีมานี้คือใครป่วยใครเดือดร้อนน้ำท่วมไฟไหม้พายุถลม่มพันเดนไหวที่ไหนขอให้รู้คุณบินจะไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยจริงช่วยจังทุ่มเทมากเหลือเกินแต่แล้วเบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นนั้นมันนำมาซึ่งความทุกข์ถึงขั้นที่บินบรลลูนิสประกาศว่าไงเขาประกาศเลยว่าสปีจากนี้จะบวชตลอดชีวิต มันวุ่นวายเหลือเกินกับการไปช่วยคนนะเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่ผมไปช่วยผู้ป่วยผู้ป่วยบางคนนั้นไม่มีใครอุ้มแต่เขาอุ้มไม่มีใครกล้าป้อนข้าวแต่เขากล้าเขาเป็นพระโพธิสัตว์แต่ตอนนี้พระโพธิสัตว์กำลังเดือดร้อนเพราะเขาไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปทำไมบินเล่าว่ามีผู้ป่วยบางคนที่เขาเข้าไปช่วย แล้วเขาประกาศว่าใครจะช่วยให้บริจาคได้เลยโดยโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชีนี้แล้วก็ขึ้นหมายเลขบัญชีให้คุณบีนเล่าว่าบางรายได้เงินบริจาค12ล้านบางรายได้7ล้านบางรายได้5ล้านบางรายบางรายได้3ล้าน1ล้านก็ว่ากันไปปรากฏว่าพอผู้ป่วยเหล่านี้ผู้เดือดร้อนเหล่านี้ได้รับเงินญาติมารุมถึงเงินบริจาค ทะเลาะเบาแหว่งกลายเป็นความวิวาดบาดหมางระหว่างญาติวงพงษาเดือดร้อนมาถึงคุณบินคุณบินก็บ่นว่าทําไมทําคุณไม่ขึ้นทําไมทําคุณคนไม่ขึ้นทําไมไปช่วยเขาแล้วเขาไม่เห็นแก่ใจเราเลยที่เราอุตส่าห์ไปช่วยทํำไมเห็นแก่งเงินคุณบินก็บอกว่ามันยุ่งนะักเดี๋ยวบวชเลยบวชเข้ามานะ่ะ ถ้ายัางปฏิบัติทํามไม่ครบเอาแต่เมตตามาล้วนๆนะไปไม่ถึงปัญญาเดี๋ยวพระบินก็จะเดือดร้อนอีกเห็นหรือยังฉะนั้นในการเมตตาคนอื่นนั้นต้องมีปัญญาด้วยเสมอไปเพราะเมตตาที่ปราศจากปัญญาจะนําพาเราไปสู่ความเดือดร้อนและเมตตาล้วนๆโดยที่ไม่คํานึงถึงความเหมาะความควรหรือทางสายกลางเราก็จะกลายเป็นได้อย่างดีแค่คนโง่ที่ใจดีไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ เมตานั้นอยู่ในชุดคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรม4ประการ 1. นในายามปกติมีเมตตา 2. ในายามมีปัญหากะรุณาคือต้องช่วยเหลือ 3. ในายามใครได้ดีมีสุขให้มูทิตาย่าริสยา 4. ถ้าเราทำเต็มที่ช่วยเต็มที่แล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามันไม่ไหวจริงๆวางใจให้เป็นกลางอันนี้เรียกว่าอุเบกขา สุดมือสอยก็ปล่อยมันไปสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปไม่ใช่เข้าไปอุ้มไม่ใช่เข้าไปแบกจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมว่าเมตตานั้นจะถูกคุมท้ายสุดด้วยปัญญาเมตตาเห็นไหมกรุณามมริตาอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้เองท่านเรียกว่าปัญญาฉะนั้นเวลาที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลใครเนี่ยเราต้องดูขอบเขตดูความเหมาะความควรช่วยคนอย่างมีสติ ถ้าช่วยคนยังไม่มีสติตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนที่คุณบินเล่านั่นเองอ่ะเมื่อเมตตาเป็นของดีแต่มันไม่พอเพราะอะไรมันมีจุดอ่อนมันมีจุดอ่อนคือทำให้เราสงสารมากเกินไปก็ทุกหรือช่วยมากเกินไปคนเห็นกันตัวก็แห่มาให้ช่วยกันไม่จบไม่สิน้นช่วยไปช่วยมาตัวเองก็จะเดือดร้อนสุดท้ายเราต้องก้าวไปหาความรักขั้นสูงรักมีแต่ให้ รักมีแต่ให้เป็นความรักที่ต้องใช้ปัญญาคนที่มีปัญญาสูงสุดจะพิจารณาเห็นว่าบรรดาทรัพย์สินเงินทองประดามีที่เรามีนั้นมันเป็นเพียงเครื่องใช้ไม้สอยให้เราดํารงชีพอย่างมีความสุขเท่านั้นแต่มันไม่ใช่แก่นของชีวิตทั้นนั้นเมื่อเรามีจนพอหรือเมื่อเรามีจนยังชีพได้แล้วที่เหลือเราก็แบ่งจุนเจือสังคมนะพูดง่ายๆว่ายศทรัพย์อํานาจนั้นไม่ได้มีประโยชน์โดยตัวของมันเอง เมื่อมันมีแล้วเราบริโภคมันพอสมควรแล้วนะสนองความต้องการพื้นฐานได้ครบแล้วที่เหลือเราก็แบ่งให้คนอื่นหรืออีกอย่างหนึ่งว่ารวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันเพราะถ้าไม่รวยแล้วให้ได้แล้วไม่แบ่งปันทรัพย์ที่มียศที่มีอำนาจที่มีจะนามาซึ่งความเกลียดชังเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องฝึกรวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันหรือยิ่งหวงยิ่งหายยิงให้ยิงหอม ใครก็ตามที่เป็นผู้ให้คนนั้นจะได้รับความรักอาดามาพูดเสมอว่าคนเห็นแก่ตัวอาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกร้องต้องการแต่ไม่มีทางที่เขาจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากนั่นก็คือเขาจะไม่มีวันได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนฉะนั้นใครเป็นคนเห็นแก่ตัวต้องเรียนรู้ให้ดีนะคนเห็นแก่ตัวอาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่มีทางที่จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคน โลกไม่เคยจดจำคนเห็นแก่ตัวมีแต่จะกลด่าสาปแช่งแต่ใครก็ตามที่เป็นพระผู้ให้คนนั้นจะได้รับความรักจะได้รับความนับถืออยู่คนก็รักจากคนก็อะไรไปคนก็คิดถึงเมื่อหลายปีก่อนโลกยกย่องผู้หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะจูจูผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเบียงแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดเมืองไถตรง ได้รับการกันเลือกให้เป็นฮีโร่แห่งเอเชียจากนิตยสาร Reader ์ได e s t ปีต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น1ในร0 0คนที่ทรงอิทธิพลของโลกจากนิตยสารไทม์เหลือเชื่อไหม2ปีที่ผ่านมาได้รับกันเลือกให้เป็นผู้มีเก็บประวัติและผลงานดีเด่นได้รับรางวัลแม็กซไซซซึ่งเป็นดังหนึ่งโนเบลของเอเชียจากฟิลิปปิน ทำไมแม่ค้าขายผักในตลาดไถตรงของไต้หวันกลายเป็นคนสำคัญของโลกได้รับเชิญไปร่วมงานเฉลิมฉลองถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอาตมาสนใจประวัติของคุณแม่ค้าขายผักคนนี้มากจึงไปศึกษาก็พราบว่ายมแม่บริจาคเงินตั้งเป็นมูลนิธิให้โรงเรียนที่แม่เคยเรียนแล้วหลานของคุณแม่เรียนหนังสือที่นี่แล้ววันหนึ่งก็ป่วย ด้วยโรคลมชักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเพื่อนๆทั้งโรงเรียนและคุณครูก็บริจาคคนละเหรียญช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่ยื้อชีวิตไม่ได้แม่สะเทือนใจมากเอาเงินที่ขายผักมาตลอดชีวิตไปตั้งเป็นมูลนิธิช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินนี่ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแม่ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเห็นห้องสมุดอยู่ในสภาพโกโรโกโสมีแต่ใ ย, ยมมมแมงมุมแม่สะสมเงินมาตลอดชีวิต5ล้านดอลลาร์ นะเอาไปบริจาคให้คุณครูที่โรงเรียนแล้วก็บอกที่โรงเรียนว่าไม่ต้องใส่ชื่อแม่แม่แค่ต้องการจะให้ในสิ่งที่โรงเรียนขาดด้วยคุณงามความดีสองครั้งและเป็นคุณงามความดีที่แสนงามเราจึงเรียกว่าเป็นความดีงามความดีงามไม่ใช่คำคำเดียวนะเป็นคำสองคำเป็นคำสมัรถมาจากคำว่าความดีกับคำว่างาม ความดีงามก็คือการทำความดีอย่างบริสุทธิ์ใจเป็นความดีที่งดงามจริงๆเพราะเป็นการทำความดีที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นฉะนั้นยมแม่ค้าขายฝากคนเนี้ยซึ่งมีชื่อว่าเฉิญสู้จีนะี่ก็บริจาคแบบไม่ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่แคร์สังคมไม่แคร์ชื่อเสียงโรงเรียนเอาใบอนุโมทนาบัตรมาให้ก็ถามพ อ, อว่าเอามาทาไมแม่ก็แค่อยากจะให้ก็แค่อยากจะช่วยเฉยเฉยไม่ได้สนใจเลย นี่คือความดีที่งดงามแล้ววันที่นิตยสารไทมประกาศให้เป็นบุคคลหนึ่งในร้อยบุคคลสำคัญของโลกนะตอนนั้นแม่กาลังหลับอยู่บนแผงผักในตลาดจู่ๆนะสายๆมาขณะที่กาลังแม่นอนหลับแล้วข้างๆนะี่มีกระหล่ำปรีมีผักกาดกองเต็มไปหมดนะจู่ๆแม่ก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าแสงแฟลชมันเข้าตาตื่นมานักข่าวยืนเต็มหน้าแผงผักไปหมดเลย สิ่งแรกที่แม่ทําแทนที่จะถามว่าแก้มมาทําไมแม่หยิบหัวหัวปีหัวกระลำปีป่าน้ข่าวนั่นคือคนของโลกทำหนะ้าขาวก็บอกว่าแม่ตอนนี้แม่ดังแล้วนะเป็นคนของโลกแม่ก็บอกว่าฉันไม่สนว่าจะเป็นคนดังหรือเป็นคนอะไรสิ่งที่ฉันสนก็คือพวกแกมายืนบังแผงผักฉันทําไมนี่ <c oughs> แม่แม่ถามได้วยซ้ำว่าแม่ดังเพราะอะไรแล้ววันหนึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องไปอเมริกา แม่ไม่มีพาสปอร์ตนะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะไปไหนไกลกว่าตลาดขายผักของตัวเองปรากฏว่าแม่ไม่ยอมไปนายอำเภอมาอ้อนวอนให้ไปไปเถอะมันเป็นหน้าตาของประเทศแม่ไม่ไปผู้ว่ามาอ้อนวอนแม่ไปนะมันเป็นหน้าตาของไต้หวันแม่ก็บอกอ่ะแล้วยังไงอ่ะฉันไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเนี่ยสุดท้ายรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงการต่างประเทศโทรมา แม่ก็เลยต้องไปทําพาสปอร์ตจะ บ, บินอยู่พรุ่งนี้แล้วนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทาพา ส, สปอร์ตไม่สำเร็จเพราะอะไรมีปัญหาว่าไปปั๊มนิ้วโป้งแล้วลายมือไม่ขึ้นเรื่องเดือดร้อนถึงประธานาธิบดีต้องลองมาดูว่ามันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยถามว่าทำไมอปั๊มนิ้วโป้งแล้วมันลายมือไม่ขึ้นแม่ก็บอกว่าก็แม่ขายผักมาตั้งแต่ยังเด็กอะ ตื่นเช้าทุกวันสำหรับแม่ไม่มีคำว่าวันหยุดเลยทำทุกวันไม่มีวันไหนเป็นวันขี้เกียจไม่มีวันไหนเป็นวันหยุดทุกวันคือวันทำงานทำงานหนักจนลายมือลายมือสึกแล้วหายไปเลยฝ่ามือนี่มีแต่มือร้่วๆเลยลายมือเนิ้วโป้งหายฝ่ามือลายมือหายมันกร่อนมันสึกไปตามการเวลาพระผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักทุกวัน สุดท้ายประธานาธิบ ด, ดีหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็บอกว่าอนุมัติวีซ่าให้แม่ไปเลยถ้ามีปัญหาผมจะรับผิดชอบเองก็กลายเป็นการเดินทางไปต่างประเทศที่ป่วนกันตั้งแต่ในอำเภอจนถึงผู้นำประเทศและแม่ก็ได้ไปเมืองนอกก่อนที่แม่จะไปแม่สั่งผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแม่เอาผักมาลงล่วงหน้าไว้เป็นอาทิตย์ถ้าผักแม่เหี่ยวแลวหน้าดูไม่ได้สนรางวัลเลยแล้วก็บินไปสหรัฐอเมริกา คุณแม่เล่าไว้ในอันตาชีวประวัติว่าตอนฉันขึ้นลิฟต์ไปนะฉันเจอใครก็ไม่รู้สวยเชียวเยี่คนนั้นนะ่ะนะปรากฏว่าแม่ไม่รู้เรื่องว่าคนนั้นเป็นคนดังของอเมริกาคือซาร่าเพเลนคนที่ลงสมัครจริงตําแหน่งประธานาธิบดีน่าจะเป็นรองประธานาธิบดีนะอ่าสมัยก่อนหน้านั้นแล้วระหว่างที่จิบแชมเปนอยู่ในงานแม่ก็บอกว่ามีใครก็ไม่รู้ผมสีทองแซมขาวมาขอถ่ายรูปกับแม่ ม, มาชนแก้วกับแม่ด้วย แล้วอีแฟนมันคนหนึ่งผมทองเชียวแม่ไม่รู้เรื่องมันเล่าให้นักข่าวไต้หวันฟังคนคนนั้นคือบลลคลิสตันกับเฮนารีคลิสตันแม่ไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านั้นจะดังแค่ไหนแม่คิดอย่างเดียวว่าไปร่วมงานเสร็จจะกลับไต้หวันให้เร็วที่สุดปรากฏว่าหลังงานเลี้ยงวันรู้ขึ้นบินกลับทันทีนักข่าวถามว่าทำไมบินกลับเร็วนะแม่บอกว่าป่านนี้ผักคงเหี่ยวแล้วนี่คือความดีที่งดงามเราจรึงเรียกว่า ความดีงามรักที่มีแต่ให้คือเป็นความรักของคนที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เมื่อไหรก็ตามที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อไรก็ตามที่ได้แบ่งปันเมื่อไหรก็ตามที่ได้ปิดทองหลังพระเมื่อไรก็ตามที่ได้ทอดตนลงรับใช้คนนั้นคนนี้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังว่าทวจะได้อะไรคนเหล่านี้จะมีความสุขและนี่แหละคือคนที่มีความรักขั้นสูงสุด เป็นความรักที่เกิดจากการน้อมตนลงรับใช้คนอื่นและโลกต้องการความรักชนิดนี้เพราะคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เคยทําร้ายใครเลยโลกของเรานั้นอยู่กันมาด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างนี้เราทั้งหลายต้องสอนตัวเองสอนลูกสอนหลานว่าอยู่ที่ไหนให้ฝึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเวลาใครขับรถปาดหน้าเราให้คิดแทนเขาว่าเขาคงรีบเขาคงมีธุระ เขากลงมีญาติที่ป่วยอยู่ต้องรีบไปไม่ใช่เป็นจอดขวางแล้วถามว่ามึงเก่าเหรออันนี้คือคนที่ไม่มีความรักในหัวใจนี่คือคนที่มีแต่ความโกรธความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งนั้นเราต้องสอนตัวเองและสอนคนที่เรารักสอนคนทุกคนที่อยู่ใกล้เราว่าอยู่ที่ไหนให้ฝึกตนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะด้วยความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยการฝึก เอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอจะทําให้เราเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นเอ็นดูคนอื่นเป็นและช่วยเหลือคนอื่นเป็นและยิ่งกว่านั้นทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมีความสุขนี่คือรักแท้ที่โลกต้องการและนี่คือรักแท้ที่จะทําให้โลกของเรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุขวาเลนไทน์นั้นที่บอกว่าเป็นวันแห่งความรัก จะไม่มีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยถ้าความรักนั้นมาได้อย่างดีแค่ความรักในเชิงชูสาวซึ่งเป็นความรักเองความเห็นแก่ตัวแล้วเราทุกคนต้องมาเสริมคุณค่าให้วันวาเลนไทยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่โดยการหมั่นฝึกตนให้เป็นบุคคลแห่งความรักด้วยการหมั่นฝึกตนให้เป็นคนที่ก้าวไปให้ถึงรักแท้นั่นคือไต่บันไดแห่งความรักจากรักตัวกลัวตาย รักใคร้ปรารถนารักเมตตาอารีและรักเมตตาให้ฝึกบำเพ็ญตนให้เป็นบุคคลแห่งการให้ทำได้อย่างนี้เมื่อไหรนั่นแหละเราจะเข้าถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของวันวาเลนไทน์ที่แท้จริงสมกับที่พระพุธทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าทะทะมาโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพก็ฝากพวกเราให้ กลับไปฝึกหันพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งความรักเมื่อวันวาเลนไทน์มาถึงให้ถามตัวเองว่าเราพัฒนาความรักได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วหรื อ, อยังและยิ่งไปกว่านั้นเราควรจะเป็นบุคคลแห่งความรักทุกวันโดยไม่ต้องให้มาถึงวาเลนไทน์นะทุกวันนั่นแหละทําให้เป็นวนันแห่งความรักของเราตื่นเช้ามาให้บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะช่วยเหลือใครได้บ้าง ก่อนหลับตานอนลงทุกคืนก็ตั้งปณิธานไว้ว่าเข้านอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาพร้อมกับความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์คิดอย่างนี้เสมอหัวใจของเราจะขยายออกขยายออกขยายออกจนแผ่คลุมโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งหมดถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่ทำให้โลกนี้เป็นโลกแห่งสันติภาพและเราก็จะกลายเป็นบุคคลผู้สร้างสันติภาพ เราจะกลายเป็นบุคคลแห่งความรักเรานี่แหละจะกลายเป็นนักบุญแห่งความรักและเราจะกลายเป็นเซนต์วาเลนไทตัวจริงฝึกให้ได้อย่างนี้แล้วโลกนี้ก็จะร่มเย็นและเป็นสุขขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่มาร่วมฟังธรรมบัญญายเนื่องในโครงการอุ่นเครื่องเมืองศิละปะในวันนี้ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทยพอดีขอให้เราทั้งหลายมีความรัก พัฒนาความรักและแบ่งปันความรักให้เพื่อมนุษย์ชนกระทั่งว่าเป็นบุคคลแห่งความรักโดยทั่หนาการทุกท่านทุกคนเธอ